สายตรงๆสักหน่อยจะสายอ้อมมันก็น่านช้าประเด็นที่เราต้องศึกษาอาชีวิตของเราศึกษาเรื่องชีวิตล้วนๆเหมือนเราเดินทางอย่าผู้หลงพลังเกินไปไม่ต้องลบแนวหน้าไม่ต้องกลูเข้าวปูกป่าเตรียมเครื่องสเสบียงติดตัวไปตัวที่จะได้ อยู่ได้กินเล็กๆน้อยๆไปาการศึกษาชีวิตของเราเนี่ก็รีบด่วนสักหน่อยเพราะแต่ต้องเวรละเอยู่ก็ไม่ได้ลังเลสงสัยหาคำตอบจากคําถามหาคําถามจากคําตอบบางทีคที่ถามเรายังไม่ได้ทําผู้ที่ตอบเรายังไม่มีแต่ตอบได้ก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ผู้ที่ฟังอย่างตายเลือกไปไหน ถ้าตายเราเกิดอีกหรือตายเราศูนญเราเกิดไปไหนถ้าศูนย์เราไปยังไงทำไํำงาอผู้ที่ตอบก็ตอบให้ผู้ที่ได้คําตอบก็ไม่มีประโยชน์หะไรบางอย่างมันต้องสมปรารถนาไม่ใช่เกิดคําถามสัจธรรมไม่มีคําถามมีแต่คาตอบคนอื่นตอบให้ไม่ได้อย่างเราสร้างกรรมฐานเนี่ยเมื่อเราอยู่ตรงไหน มือวางไว้เขามือก็อยู่ันเขาเราเห็นจะมีใครมาตุ้วๆมือของคนอยู่ข้างหลังมันก็ไม่รู้เพราะเราลู่เราเองตะแคงขึ้นเราก็ลู่มันหลงเราก็ลู่มันหลงจังๆต่อหน้าต่อตามันก็ลู่จังๆต่อหน้าต่อตาตาต่อตาความจริงก็ต้องเป็นความจริงว่ามไม่จริงก็ต้องเป็นว่ามไม่จริงเสมอไปแต่บางทีเรา ไม่ให้มันชัดเจนเรื่องนี้หลงแล้วหลงอีกเราจะยังไงพวกเราปีใหม่แล้วสอง2ันห้ารอยห้าสิบสองแล้วมันจะเหมือนเดิมอยู่หรือออกศึกษาจริงๆดูพวกเราจะขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่นี่ตายด้วยกันลองดูอยอกเกิดท่าทายเสร็จแล้วนานเกินไปชีวิตของเราเนี่ยเสียดายไปหลงอยู่นาน แต่ล่วงข้ามมาถึงอีกปีหนึ่งต่อไปเท่าไหร่จะทุกข์อยู่เท่าไหร่อะไรที่มันเกิดความหลงอะไรที่มันเกิดความทุกข์ก็มีแต่ไปยอมรับง่ายหลงที่ใดก็ง่ายง่ายทุกข์ที่ใดก็ง่ายเพิ่มจะรับโกรธที่ใดก็ง่ายเพิ่มจะรับรับความทุกข์รับความโกรธรับความโลภรับความหลง โหนมหรือเกินขมทุกขมหลงขมโลรคขมโกรธทั้งๆที่ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นพิษเป็นภัยต่อเราพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นประเด็นสัมพันธ์คือว่าทําไมมีการเกิดการแก่การเจ็บกา ร, การตายทิฏฐะเป็นสามัญชนไม่ใช่วิเศษวิโวอะไรแต่เป็นสมมติวันณะความสมมติของโลกแต่จริงๆเหมือนกันกันกบเรา เห็นเรื่องนี้มาคิดเรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้ที่ถ้าถือว่าเป็นการบ้านหรือว่าเป็นการบ้านยอมศึกษาเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะเห็นตัวหน้าตัวตาแล้วคนเกิดก็เป็นยังไงคนแก่เป็นยังไงคนเจ็บเป็นยังไงคนตายเป็นเห็นแล้วมมีใครสนุกสนานเพราะความตายความเจ็บ ไม่แต่ทุกทอนนั้นเราก็เหมือนกันทำไงเนี่นเรายังไม่ถึงเวลานั้นก็ตัดสินใหญ่ไปแล้วมันตัดสินไว้แล้ววันนี้เราก็เจไปอีกวันหนึ่งแล้วสิ่ที่มันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรสิท่านจึงออกศึกษายึดเอาส ม, มณะนักบวชเพราะเป็นนักรบที่พร้อมที่สุดเพื่อศึกษาเรื่องนี้ อยู่ในประสาสารดุูพระราชวังสาวสนมกำนันนายทรัพย์สินเดิงคานไม่เหมาะที่จะศึกษาเรื่องในปกครองไาย้าประชาราฐจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าตัวโตซะมุ่งประเด็นไว้จะให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จึงเสียสลัดแม้แต่มีพิมพาเมียลา ก, ก็ ก็ต้องเอามาร่วมกันเพื่อทำความดีไม่ใช่ทิ้งความลักให้ความลักพาทำความดีเราลักลูกลักเมียลักพ่อลักแม่จึงทำความดีเอาลักเพื่อนมิตรลักประเทศเรามาจึงมาทำความดีไม่ความลักอยู่ในหัวจ่อยอะไรอาวอนห่วงใจไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ความลักแต่ลักลูกลักเมียลักพ่อลักแม่ต้องขยันหมั่นเพียรทำความดีทำงานทำกาน หาเรียนชีวิตเก็บหอมหอมริบรู้จักใช่รู้จักจ่ายอะไรที่มันเป็นความเสียหายเว้นละไปอันนี้สิทธิออกศึกษานี่หอบความรักไปด้วยรักใครรักคนทั่วโลกคนทั่วโลกจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะต้องรับผิดชอบเราในนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่เอาคู่สองคู่พิมพ์้าสิทธิเอาความรักเอาเถอเอาเธอะ นี่เป็นความรักอันสุดยอดแต่ความรักเพียงเราสองคนมันคับแคบให้มันเป็นของยิ่งใหญไ่ไปอยู่ที่เป็นนักวก็คิดถึงความรักเราสัญญาจะมาทำรับผิดชอบตรงไหนทะเลทะเลไม่ได้แม่ถึงเวลาที่ศึกษาจนเอากายเอารูปเนี่ยโธลมา น, นอนเชื่องนอนหนำไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่หายใจ เพื่อหาคำตอบเรื่องการเกิดเจ็บเจ็ตายล้มลุกคุครนนอนถึงว่าหกปีสู้ไม่ใช่สู้โดยตัวหนึ่งเคียงบ่าเชียงไหลความรักสัญญากับพิมพาระตรงกุ่ลมเลวมาได้ตายเป็นได้ตายผู้ความรักรักมนุษย์จนถึงปีที่หกหมดท่าปัญจวิรีได้จับลุกจับนั่งไปไม่รด จนึสึกเฉยเลงตามล่มน้าในหล่ชลาจากดงคายิริตอนเหนือของเนชัานตองตาคเคยไปดูไปดูถ้ำดงคายิริอนะไม่ใช่เหมือนหงวตจนะถ้ำดงคายิริที่สิทธะจึงเป็นโอรสาทิระไปอยู่ที่นั่นปีนตาผาขึ้นไป แต่คุณมหาหลยต้องให้แขกหิ้วปีกขึ้นสู้หลกไม่ได้เราไม่ต้องให้ใครหิ้วปีกเตินขึ้นเสืสักเสโจมาถึงเอินบ้านหน้าบ้านของที่เทวายมัตตุพญาคนแลกนางสุชาดามานั่งใต้ต้นสีมหาโพนั่งโดยใต้ต้นตนิโคตต้นนิโคตก็หวนต้นหน้าสลาลงทานน่ะ เดินไหมอ่านละหลังตาเป็นคนปลูกแล้วนะมีฝีมือนะอมีใครบ้างปลูกต้นมไม้ในขนาดนี้อยู่เนี่ยมีไหมเราก็ตัางสารเช่นใหม่เอาต้นนื้โคดมาปลูกทีแรกก็นั่งอยู่นะ่ะต้นนี้โคดหวังตะวันออกในรันชลาคนสมัยก่อนนึกว่าเทพเจ้าสุชาดานึกว่าเทพเจ้า เอากล่อมมาวุา่นาไม่ต้องเล่ารายละเอียดก็ได้กําลังมังชาขึ้นมาที่แรกลงอาบน้ําในรังฉลาขึ้นไม่ได้แต่ก่อนในรังฉลา ไ, ม, ไ ม, ลาลม่ไม่ลาบลื่นไม่ลาบลุ่มเหมือนนี้ทุกวันนี้เป็นทรายไปหมดแล้วตอนไม่หมดมันเกับลํำบะเทาด้วยแต่ก่อนลำบะเทาเนี่ยถ้าไม่ลงท่าลงไม่ได้ต้องแขวนลากไงบินขึ้นไป ึงได้ว่าบ้านแถวนี้ว่าท่าทางเกียนท่าเวอ่อท่ามะไฟหวานท่าเกาะท่าเห็นงมมันลงได้เท่านั้นตามมันมีนะ๋วนี้ลงได้ทั่วไปอีกสามสิบปีลำาวเทาเหลือแต่หาดทรายนั่งอยู่นด้อาบน้ำขึ้นไม่ได้ต้องให้เด็กเด้งควายมาช่วยพยุงขึ้นปัญญาวิชีพ็ขาพยุงขึ้น ที่ชดด้วยตัวเองทดลองแล้วว่าไม่กินข้าวไม่กินน้ําเป็นไปไม่ได้ไม่หลับไม่นอนเป็นไปไม่ได้ต้องมากินข้าวหาเลี้ยวหาแหลง่งเพื่อจะทําบําเพ็ญทางกิจ อ, อ๋อนั่งอยู่ที่ไหนหกปียังคิดถึงพิมพาราหนุนยังคิดถึงภาษาจารุหงวงหน้าหวงหลังมันเป็นไรแม้แต่กายมันจนจะช่วยตัวเองไม่ได้ต้องคนอื่นช่วยมันยังโกรธ ปัญจวิคีเอ้ hey, มันต้องใจแน่นอนเอาลนะจะเอาใจลราปะการที่บำเพ็ญทางใจต้องมีเลี้ยวมีแรงซะหน่อยต่อซุ้ยก็จินข้าวแล้วก็ไม่เหมาะเด็กเลี้ยงควายมากเกินไปให้รันชลาไปดูทุกวันนี่แถวด้านมีสวนกระล่ำปเต็มไปหมดเลยตูงนาก็เดินข้ามเรินชะลามาพุทธขยาฟังตะวันตกมีโสดที่พรมเดินมาผ่านกันไปไปเกี่ยวหญ้า เห็นถ้าทางลักษณะน่าเคารพโดยถวายย่าคาไม่มีอะไรเห็นเธอก็รับอมาปูนั่งผีมหาโพธ ต, ต้องใจเราปะขอนั้งข้างสุดท้ายดูสิตอมันชนอะอะไรมันเก่งขนาดนี้เราจะไม่กลับว่ายัางไงศาสดาของเราจะนั่งข้างสุดท้ายแต่ไม่ลุกเลยตายเป็นตายตายเป็นตาย ้าไม่เลยบรรลุธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งเด็ดเตียวแน่วแน่แต่ที่นั่งพยงต้นโพหันพระพักไปทางทิศตะวโนโันออกตอนตาก็าไปกราบเขาสร้างลูกกลงไว้เขาไม่คนเข้าถึงต้นสีมหาโพเพราะคนไปขุดอกกอกเกล็ดอะไรไปมันจะตายแตกเลยสร้างกลงเหล็กไว้มีแขกนั่งเฝ้าประตูอยู่ พร อ, อยากจะเข้าไปเกล้ะเผอเพลอะเอาลูปีให้แจกเปิดให้เราด <laughs> ้วยแจกก็เปิดให้เราเข้าไปกราบกราบต้นชีมารพรกราบแท่นจิระอาสนเลย <laughs> โอ้ลึกซึ้งนะอ <laughs> นั่งอยู่หน่อยหนึ่งใบพโพลนลงมาเสิร์ตักอแล้วยิบโอยิบเ อ, บเอลงม า, มามาวัดป่าสกุโตนะนี่ใบโพ่มาวอลงว่ลจันใหม่ได้มากแล้วอ่ะ เอาให้เลอนวะบางคนก็เอาอย่างนั้นนะจนไม่ลุกจะจริงๆแต่ไม่บรรุธรรมจะไม่ลุกจากที่นี่บาเพ็นทางจิตเนี่ยแต่กว่าบันอ้อมเกินไปมันมีกายมีจิตเนี่ยเอามันคิดอะไรลวงหลวนในพระสูตรก็ตัดไปไหนยยกมือสร้างจาังหวะไอ้มือพระองอาจจะอยู่นี้บ้างอาจจะมาอยู่นี้บ้างเห็นไหมพราพุทธรูปปางต่างๆ ไม่ใช่นั่งหลับหบูหลับตาอย่างเดียวตาเวลาบางแต่จะลุ้นเนี่ยไม่ค่อยหลับนะเลินตาแต่วันนี้เราพากันหลับหลับตาจนนั่งสะงบกไม่เคลื่อนไม่ไหวแปดชั่วโมงเอาอยู่พอ้ทวเจ้าเนี่ยสิทธะเมื่อบำเพ็ญพุทธเนี่ยธรรมดาสังเกตุเพื่อนเมื่อมาแต่ก่อนอาจจะอยู่ตรงนี้ต่อมาจอยู่ตรงนี้จึงปี คำตัดว่ากการคู่เขียนเข้าการเหยียดขเขียนออกการคู่เขนเข้าการเหยียดขเขียนออกรู้สึกตัวถ้าไม่มีส่วนประกอบมีการสัมผัสกับป่าจริงๆมันไม่ใช่สติแต่คิดเอาคิดเอารู้แล้วรู้แล้วไม่ใช่ต้องสัมผัสกายก็ไม่จริงๆรู้ก็รู้จริงๆงมือของเราอยู่ตรงนี้ก็รู้จริงๆเิงขอนมาเนี่ก็รู้จริงๆริงก เอ๊ะยะเอกับความรู้ความหลงระหว่างรู้ระหว่างหลงสองต่อสองไม่มีใครไม่เห็นความหลงไม่มีใครทําความรู้ไม่ได้ทําได้ทุกคนระหว่างความรู้สึตัวระหว่างที่มันหลงพอดีกันเลยมันหลงที่ได้รู้สึกตัวแต่คนมันหลงไม่เคยรู้เลยบาดีคิดถึงเพิมพาปัสสาวะเปรียบเทียบกลัวตายต้องมีแน่นอน ภาษาทำเขาเรียกว่ามารกิเลสมารก็ย่อมมีเคยมีคบมีครัควมีลูกไม่เมียย่อมคิดถึงลูกถึงเนี่ยการสมสู่กันอยู่ก็คิดการสนิทสนมการมองหน้าการหัวโล ก, กันมีความสุขรวมกันคิดถึงเอากลับมารู้กันใช่ไหมบางที่ห่วงใยกลัวาตายนั่งอยู่ก็ไม่มีหลังคาแบบนี้ กวตายฝนตกบ้างลมพัดบ้างบางทีสดตลื่อยคานมาบ้างงูตรงกลางเลื่อยมาเห็นไหมงูเห่าเลือ่อยมาอ่ากวตายไม่มีหลังคาไม่มีอะไรนั่งย่าคาที่โซี่พรมให้มาเท่านั้นไม่มีเบาะนั่งมันนี่ก็คิดไปบางทีก็สังหารแล้วนั่งนานก็ปวดก็ม้วย อ้อยสังขานไม่มีใครไม่ปวดขาล่ายแชงนั่งนานก็ห ล, ง, ลงโกดหลงงอก็มาฐานนี่ระวังให้ดีถ้านั่งไม่เป็นะ่ะต้องปรับตัวใหม่ต้งต้นใหม่เรื่อยอย่าให้เป็นอริบทกโกรอริบทกโกมันมันมันพาเปลี่ยนยืดตัวยืดหน้าอกยืดต้นคอวางไม่หน้าใบหน้านี่อย่ ก, ก้มอย่ามองอย่างนี้ให้มันชกได้ฉากถ้ามองไปข้างหน้า ห่างจากเข้าไปประมาณความสูงเท่าตัววางสายตาได้นานแต่บางไม่ถูกวางสายตาไมา่ค่อยได้นานแล้วก็ทะเลทลายก็ยืดหน้าอกขึ้นมันจะหมดลงก็ยืดขึ้นก็มีที่นั่งหมุนพระพุทธเจ้าเพิงอาจจะเพิงต้นชีมาโพลไม่มีโสอย่างนี้ก็เดีย๋ยวนี้เขามีที่นั่งอย่างดีละ แต่หามาถ้าจะเป็นต่อสู้ลองแน่หาหมาใช่ดางต่างประเทศเขาพวกนักกรรมฐานก็จะมีบบาไม่เหมือนบอบาบ้านเราเราต่อว่อาอยากได้อยู่เหมือนกันเป็นเบอกลมๆพอดีกับก้นพอนั่งลงมาจะทาให้หลังตรงไม่ใช่บบาแบบนี้บบาแบบไม่เสมอด้านน่องก็กับก้นเสมอกันต้องให้ก้นสูงกว่าน่องเสมอโยนลงนั่งเลยนั่ง น, นาน ตอนตาไปนั่งแข่งกับพั่หลังเฮ้ยมันนั่งได้นานเบา ก, กลมๆสูงสักหน่อยนั่งลงได้ก้นพอดียอน่องลงนะนั่งได้นานพเราเลยนั่งบางทีก็หลังขดหลังงอเอานั่งดีๆไม่ใช่เบกแบบนี้เบา ก, กลมๆ ม, มนๆมาเกือบงอนละมงอนอะไรงอนอไอนข้บึง่งเตะต่สูงใหญ่กว่านั้น ไม่ทำวิกิตพิสดารมันนี่เลยมากเป็นผ้าสีกระสีดำบางเป็นกล่องทุ่มหัวโลนใครมาก็หยิบ ม, มานั่งแต่ก่อนจะนั่งฟังเทศปฏิบัติทรรต้องเอาเงินตอนล่อใส่กล่องเอากล่องไม้เชียวกล่องอะไขึ้นมาก็มองก่อนหลังนะขึ้มาก็มองหากล่องพวกดนล่อใส่ถ้าไม่ใส่กล่องแล้วเขาไม่นั่ง ตอนตาอายอายเวลาเขามานั่งฟังเทศเน่ยต้องใส่กล่องขอร้องว่าไม่ให้ทรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบอายเขาเหมืนหอนกับว่ารับจ้างแต่เงินเท่เขาได้ไม่ใช่เอาให้เราดอกเขาก็เจ็บเอาข้าเครื่องบินไปกลับ <laughs> แล้วเขาก็ชี้ตางนั้นไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เขาบอกอนะบางทีก็ได้กำไรนะถ้าเที่ยวบินแสนสองแสนนี่ย <laughs> พวกเราึกได้ยินเข้าหมอสวนจะดีวา่าเจีบคนเราสองสามร้อยโอ้อายเหมือนกันนะยิ่งพวกเราพูดว่าขาดทุนนั่กับเรายหยุดเราจะไปพูด <laughs> ไม่ได้เด็ดขาดมันไม่ใช่ชีวิตจิตใจของเราเ อ, อยมันจนนะจนจริงๆนะให้หลวงตาบอกมาเฮีจนอยู่เหมือนกันทีเนี่ยแต่กงวันหุ้งฮุ้งคนเจางลายมาอยู่ด้วยเอาอ้อยแอ้มเพื่อะไรออกมาอยู่ด้วย อาหารเมื่อสุดตายแล้วพวกนี้จะได้อะไรจีนยังไม่เคยได้ยินครับพูดคํานี้เลยแม่ชีไม่มาบอกนะเนอะแตให้มันจะหนักนันจริงๆนะไม่มีอะไรทเอีกพวกนี้หมดแล้วข้าวก็หมดพริกเกลืออะไรหมดแล้วต่างๆก็ไปเท่าไปหวานไปบอกยองหาข้าวอันสักหน่อยหาพริกหาปลาอันสักหน่อยหาเกลือใช่ไหมเขาเจ็บมาให้หาบมาไม่มีโรตมันด่วัน ออดีก็บอกกลุ่มศึกษาที่สุกโตอาหารขาดแคลนแล้วก็พักของหมาเอาเครื่ถมาหายไปกล่องมุดลงหน้าผาแบกให้คนแบกขึ้นมาตอนเอาลงมะลมาหายไปไหนแบกหายไปก่อนอันที่หายมันโปรตีนกระเสดก่อนเราก็ชั้นแบบนั้นนะเอาโปรตีนกระเสดมาล่ามาอะไรตัวนะ ไม่เห็นมีสักทีเลยนะแต่ก็ฉันไาจังทีไม่ชีเหนื่อยอ้าวหลวงพ่อติเทียนเป็นพ่อครัวเราบว่าตีชิ้นนินเธอทำไมพระปรุงอาหารทําไมโยมไม่ทำเฮนบ่หละ่ะหลวงพ่อเทียนเนี่ยปรุงอาหารเนี่ยสู้เอะสุคนสมชายด้วยฮะก็ช่วยกันอ๋อทีแต่ไรไปเรื่องกินแล้วเออเนี่ยปฏิบัติธรรมน่ะ ต้องเอาจริงๆนะอย่ามัวแต่ถามคนมีความรู้อะไรต้องถามบางทีสัจธรรมไม่มีคาถามต้องทำลงไปสัมผัสลงไปเอยเห็นความหลงเห็นความรู้เห็นความทุกข์มันแสดงกายมันแสดงมันแสดงความทุกข์อย่างเล่าสวดพระสวดอ่นตารนาค่ะสวด พระเจ้าทรงสองสอน ส, สาวกทั้งหลายแค่นี่เป็นส่วนมากสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากคือรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเอ้ามันรูปมันแสดงออกรูปคือมหาพุตธ ร, รูปมันเที่ยงมาไหลมันก็ไหลไปเห็นต่อหน้าต่อตาเวทนาเกิดขึ้นเอ้ามันก็ไม่เที่ยงมันมี แล้วสิ่งมันเกิดขึ้นเรารู้หรือว่าเราเป็นไปกับมันถ้าไม่ศึกษาไม่เห็นตรงนี้มันจะไม่จบรเอยความหลงก็อยู่ต่อรอดไปข้ามปีมาแล้วนี่ไหมข้ามโกดตามมาไหมปีห้าสองเนี่ย เ, เ, เอาเถอะเพิ่งรอเะรอเอาจังไดรอ่ะฮะไม่น่าจะเป็นไปมันทําไมทําไมจึงหลงจึงโกดกัน นี่ประโยชน์เลยมันก็ทำได้นี่นะเมื่อวันหลงที่ใดรู้ซะะตรงนี้จึงจะเป็นการกระทําที่จําแนกชีวิตเราได้ไม่ต้องทำใหม่ทําหม่พอหลงว่าก็ไม่มีทำไมรู้จักตัวพอวันคิดอะไรรู้จักตัวอะไรก็ตามรู้จักตัวรู้จักตัวเช่นก่อนจนควงรู้จักตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจ เดวนี้กายไม่มีเจ้าของใจไม่มีเจ้าของ ส, สัมโศณเปราเถือนอะไรหอบพิวไปไหนก็ได้เอาปว่วยเปะแล้วเลยตัวเรามาเอากันจริงๆจังเราจะสูสตายสูตายเหมือนพระพุทธเจ้าลองดูสามสิบหปีสูตายแล้วสูตายอันนี้พวกเราไม่ขนาดนั้นดอกมาเป็นกันริยนามิตเป็นเพื่อนกัน มีอะไก็มาถามหาศึกษาบางทีคําถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามทําไปก่อนเคยเกิดเกิดตัวเองเหมือนกันขนาดที่ปฏิบัติบางทีมันชิ้เจตถามหลวงพ่อเทียนแต่หลงพ่อเทียนก็มาได้อยู่พี่จะถามเอาไม่ต้องถามทำไปทำไปทําไปรู้อยรู้อยเอารู้ไปรู้ไปบุกเบิกไปอะไรเกิดขึ้นรู้จากตัวอะไรเกิดขึ้นรู้จากตัว ถามไปถาไปมันก็คิดจะถามมันไม่ต้องถามจะแล้วไม่ต้องถามมันจะเลยไปในตัวมันแล้วไปเในตัวคำที่ถามบางทีมันไม่ใช่คําถามมันเป็นคําโตอบเพียงมันทุกนไม่ต้องว่าทำไมจึงทุกไม่ต้องมีคํนานว่าทุกต้องก็ไม่มีทุกอยู่ในทีนั้นมันมาด้วยกัน มันหลงก็ไม่มีหลงอยู่ทนั่นมันไม่มีอะไรที่จะทําให้หลงทําให้ทุกข์เลยเพราะมันเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วก็เจ๋งนะเหมือนเรามีความรู้รู้เดอินก็ไม่ใช่รู้เรื่องกายเรื่องใจรู้เรื่องรูปเรื่องนามรู้เรื่องอื่นมากเท่าไหร่ก็ยังหลงยังทุกข์อยู่แต่ว่ารู้เรื่องเนี่ยมันมันลื้อถอนไปมันลื้อถอนไปเรื่อย อน่านที่เราไม่หลงเรื่องกายเรื่องใจไม่มีอะไรจบคอญเติปีใหม่แล้วจบคอนเสติพวกเราเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ให้เป็นชีวิตวด้วนลูดไม่ต้องเป็นภาระต่อตัวเองแล้วคนเดินมีใจนี่ก็ง่ายใจพอแล้วมีกายก็พอแล้วที่เอาชนะความเกิดความแจ่ความเก็บความตายไม่ใช่วิธีใดๆ เป็นตัวในตัวมันเองเมื่อมันหลงก็ไม่หลงได้เมื่อมันโกรธก็ไม่โกรธได้เมื่อมันเจ็บก็ไม่เจ็บได้มันชํานาญ ด, ดีดีนะเพราะเราเคยเจ็บเคยตายมาไม่มีอะไรที่จะสนุกสน า, านไปกว่าการชนะตัวเองชนะความหลงหน่อยว่ายุบหมดเลยตอนเขาห้อยชีวูน่ะอาจารย์เนเด็กอาจารย์สมหมาย ยืนอยู่ข้างหน้าเขาเกี่ยบเป็นห่วงพูดไม่ได้เต้นแต่ยกโป้ขึ้นยกโอ้ขึ้นเลยนอนอยู่ในห้องพี่ิเอ๊ะมันจาได้ไงเราบา้าหรือเปล่ายกโปขึ้นเลยฮมันเนะขียร์ยยยนะค่อยๆบอกชนะใช่ไหมไม่ใช่แพนะ้ยกโป้ขึ้นนอนนอนอยู่สายยงสา ย, ย่างเต็มปากไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องถาม เข้าใจไหม ย, ยกโป้เนี่ย mm hmm. มันแน่วแน่ละโอ้ยโอ้ยไม่มีนเนี่ยมานน่าภูมิใจมันเป็นไปได้ไม่ต้องหลงไปต้องทุกข์เราคงทุกข์บันขี่ชางขี่ม้ามาใหม่เพรหลงมีมสะตาวุธมบีแล้วเบิดมีเอ็มจับุกไหมถ้าไม่ับใช้มันเอาให้มันสมน้หน้ามาัน ทังมาหยิบเอาฉงนอกอันเดินขึ้นมาอีกมือมันพอใจมันถ้าจะลงตรงนี้ทำวัดน่ะสวดมนต์ไปลงตรงตรวจน้ํามันเบาๆโบมันเบาๆมันอ้อนบอลถ้าลงตรงที่มันชัดเจนตาลาฮาปัญจคันตาลาฮาเวปัญจคันตาขันทั้งห้าเป็นของเราบุคคลเลยเป็นผู้บวกแบกของหน่าปไป พระดิเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วต้องมาหยิบเอาของหนักขึ้นมาอีกต่อไปกิจของเล้าพ้นปล่อยแห่งการปุงแต่งแล้วจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแต่งกองทุกข์เชิงสิ้นนี้แต่ไม่มีเธินได้กะดีะนนล น, น, น, นี่นี่และเถินมันอ้วนโวนเพราะนันลงบทสวดมนบท พ่อพ่อน่โอ้มันแม่นยำเด้ถ้าตรวนน้ำเนี่ยน่าจะเป็นวิธีกรรมในสาธารณทั่วัวปมีคนเยอะๆตรวนน้ำทำบนตกปาอดมีเด็กมีผู้ใหญ่คนเท่าคนเจอหาความสุขจากการพูดในการเอเอเพื่อเผยแผ่ก็โคบพิมพ์เหมือนกันทำให้ระวนน้อมทนตนบดแผ่เมตตาลก็ดีดีมันจะได้ร่างบาป กิดใส่ใจตามอย่าว่าแต่ปากตรวจน้าก็อย่าว่าแต่ปากเ ป, ป็นเวทีมีทําลงไปแล้วมีอาหารถวายแล้วมีขันน้าในมือเขาเตรียมแ ต, ตมมกกม่ตรวจน้ําว่าตรวจได้ขอบางทีโยมถือเจ้าหน้ําไว้หลวงพ่อใหญ่เขาบอตัวสอบประมาณกําลังเอ้าผมเลยไม่เลยตรวจน้าเลย การตัวน้ามต้องว่าอะไรต้องว่ายะ thở ริวารนะต้องบอกไปโอ้ไม่ใช่อย่างก็จะถือขันน้ำต้องยะ t ะหน่อยไม่ใช่เขาถือขันน้ําเนี่ยประวัติทดสอบประมาณกลังมันก็ไม่กลมเกินกันใช่ไหมบางทีเราไปตรวจบอลเราอยู่ในวัดเนี่ยบางทีไม่มีพิธีอะไรก็อย่าว่าอะไรมากเกินไปถ้ามีพิธีงานพิธีต่างๆสารชัดพิธีเอาลงไปเพื่อให้มันกลมกลืนกับบรรยากาศ เราเนี่ยจะต้องลิ้ิตชีวิตของเขาเพื่ออร่อยเพื่อเราเองเพื่อผู้อื่นถ้าตรวจน้ำยาเทาบริวารโบาณปริปรันติหัวน้ําที่เต็มยอบแรงสมุทรสาขอด้วยบริวณได้ฉันิดมีห้วงน้าําเหมือนกับน้านํานี้น้ําใจของเราเป็นอันเดียวกันน้ําชีน้ํามูลน้าลนํามผมน้ามําผองเอามารวมกันเป็นน้าําใจของเราขนาดนั้นให้เป็นอันเดียวกันอุทิต ได้บูญเหมือนกันสำเร็จด้วยจายเพื่อเอาวัตถุเจตของมาเป็นส่วนคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขาจะรวมมาๆนี่นะในมือก็รวดให้เขาภาษาอันเรื่องนี้ย้อยก่อนพุทธเจ้ามาได้ว่าหรอกแต่ว่าพวกพรามทั้งหลายเขาํำเนยแต่่าเขาพวกรัทธิอื่นพวกรลนชัยพวกที่กรรมผล อะไรต่างๆผู้ท่องหง่เขาว่าดีๆพระเจ้าเนี่ยไปที่ไหนไม่ว่าอะไรเขาก็ตำหนี่พระเจ้าเลยว่ายะเท้าจะปีแต่แปรแล้วดีกว่าเขาสิเขาก็ต้องอ้อนบ่นให้อันนันนน้นอันนี้มาช่วยพระเจ้ามักจะเป่าทำดีอ่าคิดดีเอาใจเอาน้าม้าน้าใจลงไปนี่อธิบาย น, น้ํานี่เอามีดไปปาด ขีดน้ำดูมันไม่มีลอยถ้าใจของคนลงันน้ำก่ ท, ทุกข์ก่อทเรานลดีง่ายๆถ้าจิตใจในเหมือนหินเป็นลอยลักลอยโกดไม่ดีจึงเอาน้ำเป็นกระแสะอน้ำที่เจมย่จะสมุด ส, สาข์ให้บริูนณได้ฉนได้การที่ท่านอุทิ์นี้ไม่ใช่เพราะว่าศัพศ์บางทีเราก็ตรวดูก่อเลาะเทศะ อั น, นี้ก็ศาสนาพิธีศาสนาวัตถุศาสนาธรรมศาสนาบุคคลให้ป็นกลมกืนกัน่สารวัตถุในโบสถ์มีมาสาร้างศาสตร์เรามีหลายอย่างประกอบกันเข้าส่วนศาสนาธรรมสายตรงอ๋อเลยไม่ต้องมีอะไรถ้าไปตรวจด้ำถ้าไปสวดมนต์ไหว้พระแบบเราทําเนี่ยไปอยู่ใน ที่บางขางไม่เหมาะสอนต่อไปสอนทรรที่กับปรังไม่มีสวดมนต์ต่อถึงเวลาแป๊บก็มานั่งยกเบือซักจก็ไม่รู้เรื่องหรอกบางทีเราเทศน์แล้นย่อโจมต้งร้อยที่มาร่วมกันในที่นี้เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญเป็นกุศลจะได้บุญได้กุศลเป็นความดีนะเชิญเชิญไม่รู้เรื่อง เขาไม่ป่องเขาลูกนี่เลยวางทีก็ไม่บอกให้เราสอนเราเอามาบอกเราบางทียืนจกระป๋อเอานัาง่งอยู่อย่าสอนเรานะต้องําอะไรบอกเรามาถ้าเราทําก็ลูกขึ้นพอมันเดิน<ม>เดินเชียงกันบางทีเอามือมันมาเดามือมาบางทีเข้าไม่ถูกเช็ดบางทีเข้าไม่ถูกนูมันไม่สัมผัส ออเ น, นี่บางทีต้องเข้าใจตรงๆไม่ใช่ไปสวดหนอนสวดเนี่เข้าใจตรงยกเขาชอบแบบเนี้ยบาทีเขามาครูเราคนรู้อะไรมาเพมาสอนที่อะไรดาวรู้ตัวเองคุณรู้ตัวเองก็รู้อย่างไงให้เขานั่งคุณรู้เคยรู้อย่างนี้ไหมโนโนโนโน่เ no, no, no, no. ช้างหนึ่งรู้ไหมโนวันไปรู้อะไรลรอ คนไปโลกพระจันทร์มาแล้วคนม่โูคตัวเองแนละ้วคนเอเชียเขารู้เรื่องนี้ศาสดาทั้งหลายเกิดที่เอเชียไม่ได้เกิดยุโรปอเมกาไม่มีศาสตราองค์ไหนเกิดยุโรปไเมรก า, า, าเกิดเอเชียทั้งนั้นคนเอเชียเขารูโตัวเองโรคตัวเองโรคสุดตัวนะมองกิงไปกลัวทําทไมทุกคนมีกายไม่ใจทุกคนม่ความทุกข์ไม่ความโกรธความหลงความโลคความรักความชัมงไม่มีไม่ได้เลย ไม่แต่ความเมตตา ก, กนามันจะไม่ดีเลยเพราะ น, นั้นเราเนี่ยเอาเธอไปใหม่ที่ชีวิตใหม่ๆเนี่ยมันทำได้นะพราะเยอมพาะเยอมที่ก่อกาเนิดเกิดแห่งความดีคือมีสติคั้นดื่นเราจะลู้มามากแต่ว่าการลู้ความรู้สึกตัวเนี่ให้เป็นเอกักหน่อยที่ชาเอกของมนุษย์พระพุทธเจ้านยสิทธิฐานเนี่ย จบงาทั้ง17บเกตส์ไม่รู้อะไรเลยหอหลอลองให้ตั้งๆอยู่มีประสาทสารดูกังวนนไม่หลับสาววสนมกำนั น, นไปพระบริบาลเดื่งทุยองเดือดอออร้อนยองเพราะอาุทะกับพระมหานามะากับพระพี่ชายสองคนไปกระย์ด น้องชายของพระเจ้าโจอันะรับกษัตริย์แทนทิติษฐ์ออกบวชเมื่ออนุททะมีมหานามะลูกชายสองคนจะให้ของราชอนุททะโอ้ยไม่เอาดอกมหานามะเอาให้น้องมหานามะก็าม่อยากเอาผลดุทายพี่ชายก็มีอำนาจแหละต้องเอาให้เราให้น้องชายเอาอนุททะ อเอาแล้วก็ก็ิงออกไปพี่ชายกลับมาบวชปอมบวชแล้วสุกหนอจุกหนอสุกหนอสุกหนอร้องกันเกินเวลานอนจู่ใจลมหายอยู่ในประจาทไม่เคยร้องอย่างนี้เลยว่าสุกหนอสุกหนออานุรธาพุดธองค์พระสงทั้งหลายได้ยินนว่าเป็นไรอากาศฝนพระเจ้าพระเจ้าเรียกไปเธอพูดอะไรสุกหนอสุกหนอ ภาพวงเคยเป็นกษัตริย์ของบ้านของหมองกังวลเรื่องไปฟ้าประชาชนกลัวจะเกิดจุดสงครามอยู่ไม่เป็นสุ ข, ข้างวลออกมาบวชแล้วโอ้ยไม่มีอะไรก็สุดมันออกมาเองสุกหนอสุกหนอพระเจ้าเลยรู้เรื่องนในคำแบบอันนี้เป็นเป็นดีวิต ท, ที่เกิดกับอนุรุทะเป็นเอตตคะในทางฌานมองปัญญาตอนที่พระเจ้าปรีมพานต้องถามอนุรทธะ พระเจ้าถึงไหนเราเนี่ยอยู่ในฌานนั้นฌานนี้ฌานนั้นรูปะมองไปพระเจ้าปริพาน์ที่ตรงไหนเนิ่นพานที่ฌานที่สี่ฌนที่ห้ต่อกันไม่ใช่ตายที่กุชินาลาระหว่างนางหลังตะโ ก, กนิพพานอันนั้นสิน้นคีบเขาเรียก ว, ว่าที่สิน้นคีบของศิตตถาเข้าไปถามแขกเขว่าก็มาเรียก ว, ว่าที่ปฏิพันธ์ น, นะแต่ว่าที่สิ้นคีพของศิตตถา พวกเราเลยว่าที่ปรีนิพพานคือไม่ใช่ตายแบบนะั้นคือหมดตรงนี้นิพพานคือหมดทั้งทาดทั้งอะไรหมดกิเลสตัณหาอะไรต่างนิพพานจริงมันหมดตั้งแต่อายุ26ปีอยู่ที่สีมงหาโพนูนแต่นั่นปารีสนิพพานอยู่ที่กุชินารา น, ะนี่ตรงเนี้อตรงใจของเราตรงสติของเราตรงอการเปลี่ยน ความเจ็บไม่เจ็บความแจ๋ไม่แจ่ความตายไม่ตายเมื่อมีเก็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีแก๋ต้องมีไม่แจ๋เมื่อมีตายต้องมีไม่ตายนิพพานตรงนี้เราจะทำไม่ได้หรือเวลามันโกรธไม่โกรธได้ไหมหัดตรงนี้กันจะเวลามันหลงไม่หลงได้ไหมมีสิทธิไหมไม่หลงอ่ะมีสติที่ไม่หลงไหมเวลามันโกรธมีสติที่ไม่โกรธไหมถ้าความโกรธเราไปก็นิพพานนน้อยความหลงเราไปนิพพานน้อย ทีผ่านชิมลองไปก่อนต่อไปถาวรเลยคำว่าทุกข์ไม่มีเลย